ขณนพิกษนี้จึงบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วเพราะกุมารีอายุต่ำกว่า20ปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อน